ยาซีเรียเรื่องคนตัดหินการละครหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เชิงเขาสูงเสียด ฟ, ฟ้าผู้คนในหมู่บ้านเชื่อกันว่ามีเทพศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภูผาใหญ่นานๆครั้งเทพภูเขาจะปรากฏกายให้เห็นและประทานพรให้สมหวังทุกอย่างตามประสงค์ทุกเช้าคนตัดหินจะมุ่งหน้าไปยังเตีนเขาตัดหินออกมาแผ่นแล้วแผ่นเล่า คนตัดหินขยันขันแข็งฝีมือดีจึงมีลูกค้ามาสั่งหินมากมายอยู่มาวันหนึ่งคนตัดหินขนหินไปส่งยังบ้านเศรษฐีบ้านหลังนั้นใหญ่โตมโหลานงดงามเป็นที่สุดคนตัดหินแอบฝันอยู่ในใจว่าอยากมีบ้านเช่นนี้บ้างนับจากวันนั้นเป็นต้นมา คนตัดหินก็ทุกข์ระทมขมขื่นใจงานตัดหินกลายเป็นภาระน่าเบื่อหนักหนาสาหัสถ้าได้เป็นเศรษฐีก็จะดีไม่น้อยคนตัดหินรำพึงรำพันออกมาในทันใดนั้นก็มีสุรเสียงดังข้างหูขึ้นว่าปราถนาในสิ่งใดขอให้สมหวัง เจ้าจะได้เป็นมหาเศรษฐีเสียงนั้นเป็นเสียงของเทพภูเขาแต่คนตัดหินไม่ทราบเรื่องนี้จะมีก็เพียงความสับสนงุนงงเพราะเหลียวมองรอบกายก็ไม่พบเห็นผู้ใดเมื่อคนตัดหินเดินทางกลับถึงบ้านก็มีอันต้องประหลาดใจใหญ่หลวงกระท่อมซอมซ่อกลายเป็นข้ารือหาดหลังงาม มีคนรับใช้ยืนต้อนรับคนตัดหินมีความสุขจนสุดพรนน า, นาในเมื่อกลายเป็นเศรษฐีแล้วเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานให้เหนื่อยยากอีกแล้วอยู่มาไม่นานธนเศรษฐีก็รู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตทั้งวันไม่มีอื่นใดนอกจากกินดื่มแล้วเข้านอน เศรษฐีเริ่มเบื่อนายไร้ความสุขอีกแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขามองเห็นเกลียวหลังงามเคลื่อนผ่านบ้านมีเจ้าชายนั่งเด่นเป็นสง่ามหาเศรษฐีคุ่นคิดในใจอยากเป็นเจ้าชายเหลือเกินทันใดนั้นปราถนาในสิ่งใดขอให้สมหวัง เจ้าจะได้เป็นเจ้าชายเสียงของเทพภูเขาดังขึ้นข้างหูอีกวาระมหาเศรษฐีกลายเป็นเจ้าชายจะเดินทางไปทิศใดก็นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเกี้ยวมีกองทหารแห่ห้อมล้อมแต่ทว่าเจ้าชายยังไม่พึงพอใจเลี้ยวมองดูสรรพสิ่งรอบข้าง เจ้าชายก็มองเห็นดวงอาทิตย์ลอยเด่นอยู่กลางฟ้านั่นไงถ้าข้าได้เป็นดวงอาทิตย์ข้าคงมีความสุขไม่น้อยเจ้าชายรำพึงออกมาเทพภูเ ข, ขาสนองตอบความฝันนั้นอีกครั้งปรารถนาในสิ่งใดขอให้สมหวงังเจ้าจะได้เป็นดวงอาทิตย์เจ้าชายกลายเป็นดวงอาทิตย์ไปแล้ว เขาส่องแสงร้อนแรงมาอาบพื้นโลกทั้งราชาหรือผู้ยากไร้ต่างก็พากันหลั่งเหงื่อโซมท่วมกายโดยไม่มีข้อยกเว้นเขารู้สึกอิ่มเอมใจไปกับพลังอำนาจของตนเองอย่างยิ่งแต่แล้วก็มีเมฆก้อนโตเคลื่อนมาบดบังกลางกั้นแสงดวงอาทิตย์ร้องอุทานด้วยความแค้นเคือง หรือว่าเมฆก้อนนี้จะยิ่งใหญ่ไปกว่าค่าข่าขอเป็นเมฆดีกว่าเสียงของเทพภูเขาสนองรับปรารถนาในสิ่งใดขอให้สมหวงังเจ้าจะได้เป็นเมฆดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นเมฆเขามีความสุขใจไปกับการเคลื่อนที่เขาบดบังแสงอาทิตย์กลั่นตัวเป็นหยดน้ำโปรยปลาย ตกกระนำอยู่หลายวันจนน้ำท่วมสูงเขาสังเกตเห็นหินก้อนใหญ่ที่ตีนเขาไม่สะดุงสะเทือนไม่ว่าสายฝนหรือกระแสน้ำจะ ก, กระโชกเพียงใดอะไรกันหรือว่าหินก้อนนี้จะยิ่งใหญ่ไปกว่าค้าข้าขอเป็นก้อนหินเถอะนะเทพภูเขาประทานพรให้อีกครั้งก้อนเมฆกลายเป็นหินก้อนมะหิมา หินตั้งเด่นเป็นสง่าท้าแดดท้าลมไม่หวาดวันกระแสน้ำและสายฝนอยู่มาวันหนึ่งหินก้อนใหญ่ได้ยินเสียงแปลกประหลาดเขาก้มลงมองก็พบว่ามีคนตัดหินใช้สิวปักร่องแตกหวดค้อนกระหน่ำเพื่อตัดแท่งหินร่างของเขาสั่นระริด้วยความหวาดกลัว เมื่อเห็นแท่งหินหลุดออกเป็นแผ่นๆหินมะฮุมมาคุนเคืองใจเป็นที่สุดหรือว่ามนุษย์ตัวจ้อยผู้นี้ยิ่งใหญ่ไปกว่าข้าข้าขอเป็นคนตัดหินเทพภูเขาประทานพรให้ฝันเป็นจริงหินก้อนใหญ่กลายเป็นมนุษย์นับจากวันนั้นเป็นต้นมาคนตัดหินมีความสุขกับงานของตนแม้งานจะหนักหนาสาหัส ต้องทุ่มแรงกายสุดตัวกว่าจะตัดหินออกมาได้แต่ละแผ่นในที่สุดคนตัดหินก็พึงพอใจไปกับวิถีชีวิตของตนแล้ว